จริงๆแล้วความสุขไม่มีหรอกมีแต่ความทุกข์ถ้าเรายิ่งยิ่งแสวงหาความสุขนั่นแหละยิ่งจะได้ทุกข์เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุขนั่นแหละคือความสุขสิ้นสุดแห่งความสุขนั่นแหะคือความความสุขที่แท้จริงจริงๆแล้วมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ภาวะธรรมเท่านั้นแอ่นี้คนเราไม่รู้จักนั่นเอง เราถูกรลอกอะความสุขความทุกข์ก็เป็นของปูงแต่งเท่นั้นน่ะนี่ไงความทุกข์ความสุขทั้นเราก็อยู่กับความทุกข์ความสุขความทุกข์ความสุขมันก็เป็นธรรมชาตินะมันก็เป็นเพลงความรู้สึกถ้าเราเห็นความรู้สึกมันก็เป็นศัก์ว่าความรู้สึกทน อันนี้ส่วนมากเป็นเราอ่ะพอเราเห็นความพอเราไปสัมผัสกับความรู้สึกเป็นว่าเรารู้สึกเราทุกข์เรารู้สึกเราสุขเนี่ยเราเข้าไปี้ความทุกข์ความสุขมันเป็นธรรมชาติแต่เราไม่รู้จกักเราไม่รู้จักธรรมชาติถ้าเรารู้จักธรรมชาติแล้วก็ความสุขมันก็อย่างนั้นอย่างงั้นความทุกข์มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้มันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขจิตเราก็ว่างอย่างนี้ ถ้าเป็นเรารู้สึกยังมีว่าเราถุกเราสุขเราทุกข์เขาเลยเห็นความสุขความทุกข์ก็ว่างจากความสุขความทุกข์ก็ไม่มีทุกข์เนี่ยทางพระเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขว่างเนี่ยอิสระภาพสันติภาพถึงจะเข้าสู่ภาวะอิสระภาพสันติภาพที่เขาเรียกร้องในโลกโลกต้องอยู่ที่ตัวเรานี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลองดูความรู้สึกที่มีอะไรไหม ถึงมันมีอะไรก็เห็นว่ามันก็เป็นเพียงเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกสบายก็อย่างนี้อย่างเนี้ยความรู้สึกไม่สบายก็อย่างนี้อย่างเนี้ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เรียวกว่าไม่มีเราถ้าเรารู้สึกเป็นเราเราความรู้สึกอาเป็นความรู้สึกมาเป็นเราถ้าเราเห็นความรู้สึกอ๋อมันเป็นเพียงความรู้สึก ไม่ใช่เราแต่เราก็อยู่กับควารมรู้สึกนั่นแหละอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั่นเองว่างเนี่ยถ้าเป็นเรารู้สึกมันมืดอย่างนี้มันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นความจริงไม่เห็นสัจธรรมเนี่ยรูปรดเกลียนเสียงเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นไหมรู้สึกอย่างนี้อย่างเนี้ย ก็รู้สึกอย่างนี้อย่างเงี้ยเธอดูดูความรู้สึกเห็นความรู้สึกเป็นอย่างนี้เงี้ยมันไม่สบายแล้วรู้จักแก้ไขให้มันสบายมันปวดแล้วก็เห็นมันปวดขามันปวดไม่ใช่เราปวดเห็นความรู้สึกมันปวดตอนี้เราไม่ดูความรู้สึกเป็นเรารู้สึกปวดเป็นเรารู้สึกเราเห็นความรู้สึกกะเรารู้สึกเหมือนกันไหมเนี่ยอย่างนี้จิตใจก็เป็นกลางนะ เนี่ย <N ee> อิสระอยู่ตรงเนี้ยที่เราห็นอ้อความรู้สึกสบายก็อย่างเนี้ยไม่สบายก็อย่างเนี้ยแล้วก็อยู่กับความรู้สึกที่สบายหรือไม่สบายให้มันสบายก็แล้วกันเนี่ย <N ee> <N ee> คนที่เป็นมะเร็งอ่ะรู้สึกว่าสบายเหมอ่ะที่หลวงพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยก็ยังอยู่กับความรู้สึกมันไม่สบายแล้วก็อยู่กับมันให้มันสบายอ่ะเหมือนเวลาเราอยู่กลางแดดเวลาอยู่กลางแดดร้อนๆใน่ไหม ถ้าเราดูที่อ้อร้อนนั่นก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อยู่กับฟาร์มร้อนได้ยังไงถึงยังถึงยังไม่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ทุกข์เลยใช่ไหมถ้ารู้จักอย่างนี้มันจะทุกข์ไหมล่ะไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้แล้วก็อยู่กับความร้อนได้อยู่กับความร้อนเฉยๆน่ะความรู้สึกเราก็เฉยๆอ้อร้อนก็อย่างนี้อย่างเนี้ เย็นก็อย่างนี้อย่างนี้เย็นเราก็ไม่ไปยินดีร้อนเราก็ไม่ไม่ไปยินร้ายอะไรเนี่ยเราได้เรียนรู้อย่างนี้จบแล้วไม่มีทุกข์อ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีทุกข์นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงนี่แหละความสุขอยู่ตรงนี้หเห็นได้ไหมแล้วจะมีว่าไปหาความสุขจะมีที่ไหนอ่ะ แต่จริงรู้ความทุกข์ความสุขนั่นแหะแล้วเราก็เฉยกับความทุกข์ความสุขได้นั่นแหะความสุขที่แท้จริงนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางวิญญาณคืออย่างเนี้เห็นอย่างนี้จิตแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดใช่ไหมความรู้สึกมันก็ไม่ไปที่ยึดไม่ยึดมันไม่ติดไม่ไปยึดกับความร้อนหรือความเย็นอิสระ เย็นก็อย่างนี้อย่างนี้ร้อนก็อย่างนี้อย่างนี้ยเหมือนเราเกิดอยู่ในโลกเนี่ยมันค่ายค่ามันถูกดึงดูดไปหมดเลยมันยึดติดไปหมดอ่ะเ mm hmm. นี่ยที่เขายิงดาวเทียมขึามา้นหมดาวเทียมมันพอมันทนจาการงเสถียรของความดึงดูดใช่ไหมมันจะลอยอยู่กลางอากา ศ, าศามันไม่หล่นแล้วจิตใจเราก็เหมือนกันเนี่ยเราก็อยู่ในโลกอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ถูกอะไรดึงดูดความทุกข์ความสุข ลายศสังเสริญสุขคนเราจะหลงอยู่กับสิ่งเนี้มันจะติดอยู่กับสิ่งเนี้สี่อย่างเนี้สําคัญเลยเนไหมความทุกข์ความสุขเนี่ยติดแม่พอเราก็จะเอาแต่สุขทุกข์ก็ไม่เอาเรื่องทุกข์เรื่องสุขเนี่ยไม่ต้องมีได้ไหมเอาไม่เอาไม่ต้องมีเออสุขก็อย่างเนี้สุขก็อยู่เออสุขก็ดีไอ้ทุกข์ก็ดีสุขก็อย่างเนี้อย่างนีสุขก็อย่างเนี้ย่างนี้ได้ไหย เราจะได้ไม่หลงกับสิ่งเหล่านี้พอเห็นความจริงเราก็จะถอนตัวออกมาอ๋ออย่างนี้เองงั้นคนเราก็จะติดอย่างนี้ก็จะเอาสุขทุกข์ก็ไม่เอาสุขทุกข์ของคู่ยินเดียยินายสงบไม่สงบ<ย>ต้องการ<ย>ไม่ต้องการนี<ย>่อยู่ในจิตใจเราทั้งนั้นเลย ถ้าเห็นอย่างนี้อ๋อเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองพอเห็นว่าเป็นเพียงความรู้สึกมันก็จะว่างไม่มีอะไรเรียกว่าอานัตเรียกว่าศูนย์ยะตาธรรมชาติก็ว่างอยู่แล้วเขาไม่มีอะไรมันเกิดจากความต้องการไม่ต้องการของเราถ้าเราดูเฉยๆมันจะไม่มีต้องการไม่ต้องการมันก็ว่างอย่างนี้ท่านอันนี้ท่านเรามาดูความรู้สึกนะถึงก็เดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงเห็นความรู้สึกไหม ลองดูดิความรู้สึกมีอะไรไะก็นี่เองว่าเนี่ยธรรมชาติเดิมอันนี้คือไม่มีอะไรนะเพราะเราไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรไม่มีจินตนาการอะไรที่ว่าเนี่ยถามว่ามีอะไรมันก็ไม่มีอนี้มีทุกข์มีสุขที่ไหนอะเนี่ยที่ไม่มีทุกข์มีสุขได้ยิ่งกว่าสุขใช่ไหยเพราะป็นยางความสุขที่แท้จริงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่คาพูดอ่ะเราต้องเห็นเองอย่างนี้ เราต้องรู้เองใช่ไเนี่ยเขามารู้เตือนว่าเบิกบานว่าไม่มีอะไรหรือสะอาดสว่างสงบเนี่ยความรู้สึกมันไม่มีอะไรเนะ่าเรียกว่าสะอาดแล้วเราก็รู้ได้ใช่ไหมว่ามันสะอาดแล้วก็รู้ได้ไอดไดโอ้ความรู้สึกไม่มีอะไรก็รู้ว่าไม่มีอะไร มีอะไรก็รู้ว่ามีอะไรเนี่ยเรียวกว่าปัญญาหรือเรียวกว่ารู้ที่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสีสะถาตัสสรู้หมายถึงว่รู้อันนี้เนี่ยเรียวกว่าพุทธละล่ะเนี่ยพุทธศาสนาหมายถึงเนี่ยเป็นศาสตร์ของอันนี้ศาสตร์ของควาสะอาดสว่างสงบเนี่ย ฟารมโลของสะอาดสว่างสงบไม่รู้จะพูดยังไงถึงจะพูดให้ถูกอันนี้มันเป็นของทุกๆคนใช่ไหยเนี่ยคําาพุทธศาสนาคืออันเนี้ยมันอยู่ในตัวเราอะนี่แหละตัวพุทธศาสนาเนี่ยเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยตรงไหยใครเห็นได้ก็เป็นของผู้นั้นถ้าใครเห็นไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้อะไร ไทยยังไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่ชาวพุทธนะเนี่ยเห็นอันนี้ไป เ, เรียกว่าชาวพุทธแหละดีไหมดูไปเรื่อย เ, เรียนรู้ตัวเราไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเรียนรู้เรียนรู้เนี่ยความรู้สึกนึกคิดของเรานึ่งเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ยังไงรู้ได้ใช่ไหมสบายไม่สบายรู้ได้เนี่ ย, ย, ยนั่งมันก็เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองเป็นภาวะเท่านั้น เก่งเน้อเก่งตัวเปล่าก็รู้ได้ใช่ไหมเอาถ้าเก่งก็รู้จักคลี่คายละเนี่ยแก้ทุกข์เพราะเราอยู่กับทุกข์อะเราต้องเคยแก้อยู่เรื่อยอย่างนี้ดู จ, จิตใจเป็นไงอัดอันนะ้นไหมยตามรู้สึกหายใจเข้าออกรู้สอัดอันนะ้นไหมเอาเราก็รู้จักผ่อนคลายคี่คลายมันก็ไม่อัน้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอะเราอยู่กับสิ่งเหล่าเนี้ยแล้วเรารู้จักคี่คลายผ่อนคลาย เนี่ยเราถึงว่าอยู่กับทุกข์มันนี่มีความสุขเรามันอยู่กับทุกข์เราต้องเคยแก้อยู่เรื่อยๆอเดี๋ยวดูที่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันไม่สบายอีกแล้วมันไม่สบายเราก็เคยแก้อยู่เรืเอ่อยลองดูที่เคยขยับนี่ขยับหนอนมันก็มันก็หายมันก็จะไม่ปวดเมื่อยใช่ไหมนเนี่ยเราอยู่กับทุกข์แล้วเราไม่ต้องทุกข์เรารู้จักแก้ไขอะ่ะเนี่ยอย่างนี้ให้เรารู้จักแก้ทุกข์ตรงนี้นะมันไม่สบายเราก็เปลี่ยนให้มันสบายได้ใช่ไหม จิตใจเหมือนงานมันไม่สบายก็เปลี่ยนให้มันสบายสิมันร้อนก็เปลี่ยนให้มันเย็นอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนอารมณ์ใหม่นี่ปฏิบัติทัรมนรู้ธรรมะรู้อย่างเนี้ยธรรมะหรือธรรมาชาติจริงๆมันเป็นธรรมชาติน่ะธรรมะหรือธรรมาชาติอันเดียวกันหรือรู้สึกรู้สึกกับไอ้ตัวฟามรู้สึกน่และแล้วก็อยู่กับฟางรู้สึกอ่ะ ความรู้สึกนั้นไม่ใช่เราอ่ะเราอยู่กับความรู้สึกอันนี้ตอนนี้เราไม่เราไม่ได้ยินได้ฟังเราไม่เคยศึกษาเราไม่รู้อะไรเขาเราก็เลยติดมาตั้งไหนแต่อะไรว่าความรู้สึกเป็นเรารู้สึกก็ทุกข์สิถ้าเรารู้สึกอะความรู้สึกมันสบายก็เป็นเรารู้สึกว่าเราสบายความรู้สึกไม่สบายก็เป็นเรารู้สึกว่าเราไม่สบายอย่างนี้มันทุกข์นะถ้าดูความรู้สึกพอเห็นความรู้สึกมันไม่มีเรา มันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น<ม>เห็นไหมเป็นความรู้สึกเท่านั้นเรียกว่าภาวะธรรมถ้าไม่รู้อย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างเนี้ยดับทุกข์ไม่ได้ถึงทั้งอ่านทั้งฟังแต่เรามาดูที่จิตใจอันนี้ต้องเห็นอันนี้นะเนี่ยยืนเดิน น, นั่งนอนเรารู้เดี๋ยวนี้นั่งอยู่แล้วก็รู้ว่าเนไเดี๋ยวนี้รู้สึกไงรู้ได้ อันนี้แล้วก็ดูเฉยๆออรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ไม่สบายแล้วก็แก้ขไขให้สบายให้เรารู้ความรู้สึกน่แหละเป็นสมาธิมไม่ต้องไปทาสมาธิเดี๋ยวนี้เห็นไหเห็นความรู้สึกใช่ห<ม>เห็นห<ม>เดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงเนี่ยดูความรู้สึกเฉยๆนะัน่นสมาธิตาดูอะไรยังเห็นความรู้สึกอยู่ ยังไงยังเห็นความรู้สึกมากเราดูที่ตาเราดูอะไรเราก็ยังเห็นตัวเราอย่างเนี้ยไม่ใช่เรารู้สึกเห็นคามรู้สึกดูความรู้สึกให้รู้อะ่ะเดี๋ยวนี้เคลื่อนอย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้อะไรกันเคลื่อนไปอย่างนี้ก็รู้ อ, อย่างนี้รู้ได้ดจิตใจมความรู้สึกไงก็รู้ได้ไม่ต้องเราเราต้องรู้ ไม่ต้องเขารู้เองอ่ะรู้ได้อยู่แล้วเนี่ยเป็นไปสบายมือสบายแขนแล้วก็รู้ได้จิตใจปลอดโปร่งโ่งอกโ ล, ล่งใจเราก็รู้ได้ก็เป็นไปเพื่อโ่งอกโ่งใจเบาเนื้อเบาตัวก็รู้ได้เนี่ยที่ประทาอย่างเนี้ยรู้อย่างเนี้ยมัน ไ, ไม่มีความคิดความเห็นมีไหมนะเนี่ยจิตว่างอย่างนี้ดีไนหะ อ่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีอะไรอ่ะนั่นหละความสุขที่แท้จริงละ่ะ mm hmm. ไม่ใช่สุขอย่างโลกโรคอ่ะไ mm hmm. ออย่างนี้ไม่ต้องไปอาศัยอะไรไม่เป็นแล้วก็ไปของาะความมีความเป็นอยู่ที่ไหนก็มีความสุข mm hmm. หายใจเข้ากก็เป็น mm hmm. ก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุข mm hmm. เคลื่อนไหวไปทีก็มีความสุขเอามือไปเอามือมาก็มีความสุข เนี่ยรู้อย่างนี้ยยืนเดินนั่งนอนทำการทำงานก็มีความสุขทาไมเห็นีก็ไม่มีทุกข์เลยนะนล้วยิ่งกว่าความสุขสุขอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเสียสตางไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยไม่เป็นภาระความสุขที่ต้องเสียสตางเดี๋ยวต้องเอาสตางไปซื้อเป็นภาระไม่ต้องไปซื้อต้องไปหามาเป็นภาระเยอะแยะเลย เนี ee, ่ยความสุขอย่างนี้ไม่ต้องกินไม่ต้องเคียวไม่ต้องเดิมความสุขอีกอย่งองางอาศัยรูปรดกลียนเสียงกินเคี้ยวเดิมเห็นของสวยๆมีความสุขดมกลิ่นอหอมๆมีความสุขูได้ยินเสียงเคาะๆมีความสุขกินอร่อยๆนี่ก็มีความสุขนี่มันก็ความสุขที่อะโกงแต่งทั้งนั้นจงอาศัยอาศัยอะไรอะไรนั่นเอง เนี่ยความสุขอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรเนหะ็นไหมดูเฉยๆยิ่งกว่าสุขนะเนี่ยหลวงพ่อต้องการให้รู้จักอย่างนี้ในตัวคุณ mm hmm. น, นี่แะอนี่แหละไม่ต้องไปหาทางงอ ก, กไปหาที่ไหนอ่ะเนี่ยอย่าลืมอันนี้ mm hmm. เห็นอันนี้อยู่ mm hmm. นะนนเครื่องหมายก็ยังเห็นอยู่ mm hmm. เครื่องพิธีก็ยังเห็นอยู่ไม่ม mm hmm. ีอะไรว่าอย่างนี้เรียกว่าจิตใจบริสุทธิ์ของแท้ว ไม่มีเวรมีกรรมไม่มีบาปพ้นเวรพคลกรรมเนี่ยอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปคืออยู่เหนือสิ่งเหล่านี้หมดอะอยู่เหนือสวรรค์อยู่เหนือโลกเออเนี่ยก็เรียให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เหนือของคู่นั่นเองเนี่ก็คือของคู่เย็นร้อนเย็นหยาด แต่ให้คนเรารู้จักนั่นเองให้อยู่กับของคู่เรายังอยู่กับของคู่อยู่กับของคู่ยังไงแล้วเราถึงเนี่ยไม่เสียความรู้สึกคือไม่มียินดียินไล่กับอะไรอะไรก็นี่ไงเราไม่มีเราของดูที่เห็นความรู้สึกก็ไม่มีเราในกัน<ม><ม>เนื้อแล้วมีเราไหมไม่มีเราเราไม่มีกต่เรารู้สึกมีเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นอะไรอะไรก็มันก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็น ก็ไม่มียินดียินล้ากะอะไรอะไรต้องการไม่ต้องการก็ไม่มีอยากไม่อยากก็ไม่มีหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ยเหนือและ <just> เหนือโลกอยู่เหนือโลกแล้ <Beyond S 1> อยู่เหนือคว<ร>ามร<ๆ>ู้สึกนึกคิดของเรานี่หละอยู่เหนือจิตใจของเรานี่เลยเออนี่แหละมันยังเป็นไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นไรให้เรารู้จักให้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นแล้วเพื่ออยาวอะไรมันไม่ใช่เพื่อเอาหรือไม่เอา แต่มันเพื่อให้เรารู้จักอย่างนี้จบแล้วไม่มีได้ไม่มีเสียอะไรแต่รู้จักเนี่ยที่พูดไท้ฟังเนี่ยรู้ใช้ได้แหละ